เอาส่งกันบ้านเลยไปใครก็ได้เม่อวานนี้ฉุลองเลิกที่รูปแบบไปประมาณสามสองอาทิตย์กว่าเจ้าค่ะแล้วก็พอมา่สัก2อสามวันนี้ใจมันก็รู้สึกสงบแล้วก็กลับมาเดินจงกรมได้แบบรู้สึกมันมีฉันท์้าขึ้นนะเจ้าค่ะโดยไม่รู้สึกว่าว่าแบบไปบังคับอย <imet> ู่อ่ะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่ามันดีดขึ้นก็เปอย่างนั้นแหละ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 แต่เดิมเราไปเก็บขวดรรหว่างฟอม์มเราไปสร้างหมูกระดาษที่นมาตัว <c ười> ให้รู้ลงไปเลยนะ <c oughs> ก็ตอนที่ภาวนากับหลวงพ่อก็บอกว่ารู้สึกว่าจะตั้งใจมากแล้วก็จะเกรงเวลายอยู่กับหลวงพ่ออะไรเช่ะอตอนที่ภาวนาจะทาตามรูปแบบท่านแต่แบบจะเหมือนเด็กเดื้อเจ้าค่ะคื อ, อท่านบอกให้ทำแบบนี้ก็จะแบบจะบอกท่านว่าขอแบบนั้นได้ไหมอะไรคือ ถ้าอย่ า, นายงนี้ไปวัดป่าจะถูกไล่ออกไปจากวัดเลย <c oughs> แต่ <c oughs> หลวงพ่อท่านเมตตามากค่ะเจ้าค่ะท่านก็ค่อยๆบอกค่ะคือจริงๆแล้วครูบาอาจารย์จะรู้นะว่าตอนนี้เราควรทำอะไรยังบอกว่าทำอย่างนี้สิเนี่ยเราดูออกเนี่ยทำอย่างนี้แป๊บเดียวจะดีละ <c oughs> เคยมีเด็กคนหนึ่งนะตอนนั้นอยู่สวนโพไปเรียนบอกให้ให้ให้ดูเข้าไปเลยคิดมาก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 ตอนนี้มันแบบมันมันทุกอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะบางทีว่าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเนี้ยมันเหมือนอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ข้างในมันอยู่ตรงอกเนี่ยค่ะมันก็ดิ้นดินแต่บางทีมันไม่ใช่ตัวดิ้นดินอย่างเดียวมันเป็นแบบขึ้นๆเลยไม่รู้ค่ะตรงกลางออดูไปันนี้แปลว่าเราลงไปจมกับมันหรือว่าไมถึงเราไม่จมนะเราก็เห็นในคลื่นนี้ได้แล้วคลื่นนี้มีอยู่ทั้งวันทั้งคืน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 แค่จะก็สงสัยว่าทําไมมันอยู่ได้นานนี้หรอรู้มันก็ไม่หายจะทีไม่ขาดหรอกเพราะมันต้องเป็นมีอย่างนี้ยนี่แต่ว่าพอเราไปรู้เราไปเห็นเดิมไม่เห็นนะเราไปเห็นของที่หยาบหยาบนี้เราไปพบว่ามันปรุงตลอดเวลาปรุงไม่เคยหยุดพักเลยเห็นแล้วเหนื่อยเห็นแล้วแห้งผักแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันมันเหมือนไปมันก็รู้ว่ามันไปสร้างเปลือกแล้วมนไปสร้างเปลือกแล้วมันเปลือันนี้เดี๋ยวว่าไม่ดีไปสร้างอันใหม่สร้างแล้ว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 เมื่อเราภาวนาวันหนึ่งเราก็เข้าใจมันก็จะหลุดพ้นจากมันอย่างไอตัวคลื่นๆเนี่ยใจดูไปเรื่อยไปแห้งเลยต้องทําความสงบเข้ามาหลวงพ่อหาทางสู้ตั้งนานเลยเป็นเดือนๆนะไปหาครูบาอาจารย์หาหลวงพ่อพุทธไปถามอาจารย์มหาบัวอะไรเงี้ยที่บอกรู้ลงไปการภาวนาพอมันละเอียดแล้วเหลือแต่คลื่นยิบยๆบยิบยับยบยบอย่างนี้แหละรู้ตามทฤษฎีแต่ใจเราไม่ชอบอะ่ะใจนะแห้งเลย ต้องทำความสงบเข้ามานะพอความสงบแนละ้วพอจิตย้อนไปดูนะ่ก็ขาดสะ บ, บั้นตรงนั้นเลยเอะมีอะไรคุยป่ะเนี่ยหมูกระดาษอีกตัวหนึ่งครับแข็งเปกเลยเออตัวนี้ยังไม่เปียกน้ำตัวแข็งอยู่คุณเลิศว่าไงคุณเลิศเอาสั้นๆเนานะคุณเลิศเยอะวันนี้ยังดีนะวันนี้น้อยนะทุกวันจนะเต็มสารา ฟังฟังฟังคุยถามเด็เดผมก็รู้สึกละอายไม่กล้าถามแต่ก็จางตั้งใจมาถามแล้วก็ขออนุญาตถามนะครับเดี๋ยวเเปลี่ยนใหม่คุณเลิศใหม่ตัวนั้นมันไวเกินไปหรือมั้งคือผมก็ตั้งแต่ที่อาจารย์จากมาคุณเลิศเออเอาไมม่ให้ต่ําลงนิดหนึ่งครับผมคุณเลิศเป็นคนเสียงดังคนไม่ใครคนใหม่ก็ <laughs> ก็พยายามเปลี่ยนวิธีปฏิบัติจากการเพ่งเพราะรู้ตัวว่าจิตมันน si ิ่งเกินไปพยายามแก้ไขมาแล้วก็ก็มีล่าสุดเนี่ยมีอาการแปลกก็คือว่าผมเดินจงกรมมผมก็ไม่มีการกําหนดพุทโธทังสิ้นแต่รู้ลมหายใจเข้าออกก็เดินไปเรื่อยความคิดก็เกิดขึ้นมาความคิดเกิดก็ให้รู้ว่าเกิดพราะปล่อยเขาคิดไปถ้าพักงงก็เตือนว่านี่เราคิดอยู่นะเราหลงคิดนะอื เพรา ะ, ะนั้นเองก็เกิดสติขึ้นมามันสว่างมาคว<อ>เรืองเองวาบอขึ้นมาอ๋อนั่นมันตื่นขึ้นมาอ่าแล้วก็มันก็คิดต่อฮะมันยกเอาคําสอนของหลวงปู่ดุลที่มาว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อหยุดคิดจริงรู้พมื่อนี้เกิด อ, อาการพร่งในธรรมอ๋อคําว่ารู้นี่คือสตินี่เองเนาะอผมก็มันกเกิด อ, อาการบอกสติมันครอบครอบกายผมเต็มไปหมดเลย อันนี้เกิดจากอะไรครับก็พอมีสติขึ้นมานะแต่คุณเลิศอย่าไปประคองไว้นะเขาเป็นของเขาเองไม่เป็นไรอย่าจงใจก็แล้วกันมันมืนอะไรฮทหารเตรียมพร้อมร้อยเอร์ซ็นตผมสติมันหอร่างกายหมดเลยอะแล้วผมขอผมน้องมให้ตัวรู้ดูดูจิตผู้รู้ดูจิตนะพราคนเรสติก็ล้อมจิตเต็มไปหมดเลยอืแต่อย่าไปบังคับมันครับผมมันเป็นอยู่นันอยู่พักใหญ่ๆแล้วเกิดเกิดจากอะไรให้นี้เป็นปกติ เป็น<ข>อย่างนั้นแหละใครๆก็เป็นนะครับอ๋อคือเสร็จแล้วไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะคุณเลิศ ด, ดูไปเรื่อยๆด้วยความใจเย็นๆครับอย่าไปประคองอย่าไปรักษาสภาวะใดๆเลยสภาวะทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดูต่อหน้าต่อตานะนะั<อ>่นแหละไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเห็นไหมมันครอบไว้แล้วมันก็หายไปครับแต่<ม>อย่าไปจกใจให้ครอบคุณเลิ่ศรู้สึกไหมจิตคุณเลิ่ศไม่เหมือนเดิมจิตมันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมอก่อนมันเคร่งเครียดอันนี้มันสว่างขึ้นมารู้สึกไหมมันสว่างมันโปร่งมันโล่งกว่าก่อนครับนะแล้วมันก็สงบกว่าแต่ก่อนด้วยดูออกไหมคือขอถ้าถามต่อมาคือสตอ น, นพอเกิดสติขึ้นมาผมก็น้อมจิตไปถึงผูรู้ผู้รู้ก็เอาไปดูจิตก็ไม่เห็นจิตเพราะว่าพลังจิตเนี่ยมันพลังสติมันคุมหมดเลยก็ย้อนมาดูที่ตัวดูดูผิดละวนะ ดูผิดแล้วผิดแล้วเออไม่เพราะว่าดูที่ตัวบาคนตัวลหายคุณเลิศอ่ะไปใช้สิ่งที่หลกงปูดูลบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตแล้วนะฮะเอาจิตไปดูจิตมันจะไปเจออะไรถ้าจิตมันเป็นคนดูใช่ไหมงั้นอย่าไปดูจิตตรงๆมาดูที่กายได้ไหมฮะได้ดูกายเพรากายไม่มีฮะเป็นเป็นก้อนวัตถุอะไรไม่รู้จิตเข้าคลองอยู่เออนั่นดูอย่างนั้น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 คืออย่างนี้ครับผมกําลังฝันอยู่ในตอนเช้าวันหนึ่งปรากฏว่าขณะที่ฝันอยู่ก็ไปถึงเรื่องตอนที่ว่าเจอพระองค์หนึ่งแล้วมีลูกศิษย์เป็นเพื่อนของเขาเองผมก็มองไปเอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นคริสเนี่ยมันมันมีมันมัมนมนเป็นลูกศิษย์พระได้ยังไงจิตก็โวยวายว่าแกแกฟรุงแต่งผิดแล้วปรุงแต่งผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ปรากฏว่าโจขันห้าที่ปรุงแต่งมันหยุดการทํางานค้างอยู่อ่ะ ก็จิตก็เข้าไปตรวจสอบว่าก็ว่าโอ้ไอเจ้าตัวรูปประขันเนี่ยมันทํางานโอ้โหทำมันมีหน้าที่ทําแต่งอย่างเดียวสร้างรูปอย่างเดียวอืมันก็ดูต่อไปอ้าวมันไม่ได้มีรูปประขันมันมีเวทนาก็เป็นกองไว้ทั้งสี่กองเป็นกองทัพใหญ่โตเลยโอ้ยขันห้าเป็นอย่างนี้เองเหรอก็ก็เข้าใจขึ้นมาพรากว่าจิตเป็นทอจากขันห้ามาแล้วก็ขันห้าก็กองอยู่กันอยู่อืตอนนี้ผมก็ดูต่ออ้าว มีธรรมโรยตัวหนึงจิตก็ถอดไปตัวหนึ่งเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวอ่ <c oughs> เก็ถูกแล้วอย่างนี้ใช่เลยฮะทำนี่ก็ <c oughs> ใช่สิฝึกไปอย่างนี้สุดท้ายก็จะเห็นนะไม่มีตัวเราครับมีแต่ขันต่างๆเขาทํางานตามหน้าที่ของขันนะ ร, รูปก็ทําหน้าที่ของรูปเวทนาก็ทําหน้าที่เวทนาจิตทําหน้าที่ของจิตอรู้อย่างนี้แหละแล้วก็เห็นเลยไม่มีตัวเราครอีกไม้กันนะฮะฝันอีก พอเติเขึ้นมาไม่ได้ฝันนะเอ้ยวันนี้ดีทำให้ฝันมีคํามีเสียงมาจากไหนทางไหนว่าจะแสดงให้ดูอืก็เห็นจิตนะเป็นรูปคล้ายๆฟักขเขาๆขนเนี่ยมันเข้าไปไป ส, สร้างเซออารมณ์กับทํบาอารมณ์ทํรอามรมณ์ว่ามันก็กลางตัวขยายปี่สยายอะไรนั่นมัดใหญ่เนอืะแล้วจิตนั่นก็ลอยไปไปไ ป, ป, ไปข้าเข้ากับขันห้าขันห้าก็มัดอีกฮะโอ้โห มันเครียดมากครับในใน<ม>ที่มองมองในจิตนะะอ<ม>ืไม่ได้ฝันนะะมันเห็นเขาบอกแสดง<ม>ให้ดูไม่เครียดเท่าไห่าโอ้ยท้งได้ไหวแล้วจิตมันก็หลุดปลุกไปฮะอลอยพอผู้รู้ก็มองเห็นจิตดวงนั้นสุขสสยมากลอยเด่นอยู่ะ<ม>จิตผู้รู้ก็ตามเข้าไปดูโอ้โหสุขสสยสะอาดมากแล้วก็มีความบริสุทธิ์ผ่องอย่างนั้นเฉล<ม>ือก็กลว่าผู้รู้เกิดรวมตัวเข้าได้กับจิตดวงนั้นนะอื ก็มีอาการฟูขึ้นมาในจิตเต็มที่เลยอิ่มไปหมดืมเพราะว่ก็แปลกนีอะไรเนี่ยมันมันเป็นใช่าสันตินะฮะมันฟูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกคือเราไปหลงตามมันไปล้วนะฮะอย่าไปหลงตามดูมันไปนะอย่างไอ้ดวงใสหลุดขึ้นไปเนี่ยดวนั้นไม่ใช่จิตสแล้วนะฮะจิตคือคนที่รู้ว่ามีดวงใสหลุดขึ้นไปเราไปตามดูอาการของจิตละ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 ต่อจิตถูกถูกหลอกนะถูกหลอกนะเข้าใจแล้วครับมันเป็นนิมิตนิมิตทั้งๆ้งที่ลืมตาอยู่เนี่ยทําได้อถ้าจิตมันโรสมาธิอยู่มันก็เกิดขึ้นมาให้เราดูได้ครับผมดีที่ไม่เชื่อมันนะอย่าตามมันไปก็อีกอันท้าสุดท้ายมียวันนั่งอยู่ะเมามองไปในที่สภาพแวดล้อม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 ไม่ให้ม่ให้เป็นการดูกายดูจิตพร่องกันเลยนะบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตนะครับเราเลือกไม่ได้ว่าจะรู้กายหรือรู้จิตครับจิตมันรู้ของมันเองแต่ว่าอย่างถ้าภาวนาแล้วจิตกับกายมันแยกออกมาจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ย มันจะเห็นเลยเดี๋ยวร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็ยิ้มนะเดี๋ยวหน้าบึง้งเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแหละนะแต่ว่าไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์มันนะความคิดมันแทรกเข้าไปแล้วมันผดขึ้นมาเองครับผมไม่ได้ทําอะไรนั่งโดยเฉยให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วครับผมจิตตัวนั้น<อ>ฟุ้งซ่านแล้วเราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกทํางานได้เองดูให้เห็นว่าจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองสารพัดเลย เราไม่ได้ดนะูเพื่อจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนี้ดีอย่างงี้ไม่ดีอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเมือนะั้นร่างกายมันจะยิ้มเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเข้าใจครับอา้าวตาลส่งงานบ้านท่องนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวช้าครับหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตัวเองหลงเผล่บ่อยมากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบไปหาความสุขเขาเรียกว่างไงอะลงลว ง, งทางโลกอะครับอย่างที่หลวงพ่อบอกว่า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 คืออยากจะรู้ว่าควรจะทํำยังไงบ้างถึงจะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นตานต้องซ้อมไว้นะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักการหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับอิริยาบถสี่ก็ได้นะเช่นเราหายใจไปเรื่อยๆหายใจเล่นๆรู้เล่นๆ น, นะอย่าไปรู้แบบเคร่งเครียดนะต้องรู้เล่นๆ เ, เสร็จแล้วพอจิตเราขยับเ ข, ขยืนเคลื่อนไหวไปเช่นมันรู้ลมหายใจอ ย, อยู่แล้วมันไปเพ่งลมหายใจเรารู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้ว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 แล้วเป็นประจำเลยให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านแล้วกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็เหมือนต้องต้องมีเครื่องอยู่ถ้ามันไม่มีเครื่องอยู่ในจิตก็หนีไปนานครับเมื่อนั่งรถไปไกลแล้วกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาต้องมีเครื่องอยู่แหวนหนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธแล้วก็จะได้รู้ทันว่าเผลอไปและมันจะไม่เผลอนานถ้าไม่มีเครื่องอยู่แล้วหนีร่อนเร่ไปเป็นเด็ก เด็ ก, กําพ้าร่อนเรไปเรื่อยๆกลับบ้านไม่เป็นนันมีบ้านให้มันอยู่แต่ไม่ใช่มีคุกให้มันอยู่นะ บ, บ้านกับคุกไม่เหมือนกันคุกก็คือที่ขังจิตไม่ให้เคลื่อนไปไหนเช่นเราเพ่งเอาไว้ให้นิ่งห้ามจิตกระดุกกระดิกเนี่ยพอเวลาเวลาเราทำคือเขาเรียกว่าไงครับเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นมาครับหลวงพอ่อมันอยากจะคงไว้ละ <c oughs> มันอยากเอ๊ะรู้สึกตัวเออมีสติขึ้นมาแล้วนะใ ห, ให้รู้ว่าอยาก แล้วมันก็รู้ว่าอยากแต่มันก็ยังอยากที่จะบังคับให้มันนิ่งนะ <c oughs> ให้มันมีอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าอยากนะเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอานิ่ง <c oughs> เราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มีความสุขถาวร <c oughs> เพราะความสุขถาวรไม่มีในโลกนี้ <c oughs> ไม่ได้ภาวนาเอาความสงบถาวรเพราะความสงบถาวรไม่มีอยู่ในโลกเราไม่ได้มีภาวนาเพื่อจะดีถาวรนะเพราะความดีถาวรไม่มีในโลกสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเลยครับ จิตนี้มีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเราภาวนาเพื่อจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเจริญแล้วเสื่อมทุกสิ่งเกิดแล้วดับเพราะนั้นจิตจะไม่กระเพื่อหวั่นไหวเพราะความเจริญและความเสื่อมเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาความเจริญเพราะความเจริญที่ถาวรนั้นไม่มีทุกสิ่งมีแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งมีแต่เป็นทุกข์ทุกสิ่งแต่บังคับไม่ได้เพะนั้นภาวนาจนกระทั่งเรารู้เลยทุกอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้หมดเลย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 ไม่รู้จะส่งอะไรอะคะรู้แต่ว่ามันกลัวมันกลัวอะไรรู้จักกันมาตั้งเก้าปีแล้วช่วงนี้มันปฏิบัติแย่มากคือรู้ว่าตัวเองจมกับโทสะเยอะมากอะฮะมีโทสะไม่ได้แปลว่าแย่มากเอามาตรฐานอะไรมาวัดมาตรฐานถึงว่าเอี่ยงตามดูไม่ทันตามรู้ไม่ได้มันเหมือนมันจมตลอดเวลาแล้ ว, แ ล, วแล้วทำไมอเอี่ยงรู้ว่าจมตลอดเวลา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 ก็มาทุกสัปดาห์แต่ก็ไม่ค่อยได้ส่งกันบ้านค่ะคนเดิมก็ที่พระอาจารย์เคยทักไว้คือประคองน่ะค่ะอยากถามว่าดีขึ้นแล้วนี่เราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนี่นะไม่เห็นต้องถามแล้ก็รู้รู้อยู่แล้วไม่อยากรู้ว่ามีอะไรคืบหน้าไหมค่ะมีคืบหน้าสิแต่เดิมติดเพ่งตอนนี้ไม่ค่อยเพ่งแล้วรู้สึกไหมสบายขึ้น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 ฝึกได้ดีนะดีขึ้นเยอะเลยอคอาบีใหม่แล้วฝึกได้ดีกับนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูมีคําถามเดียวเลยค่ะอเออที่ปฏิบัติมาถูกไหมคะหลวงพ่อดีขึ้นแลอรู้สึกไหมใจมันตื่นค<อ>่ะใจมันมีปีติรู้สึกไหมรู้สึกค่ะออมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตเราเป็นไงรู้ไปเลยใจแอบไปคิดรู้สึกไหม เออนะหนีไปก็รู้ทันเนี่ยรู้ไปเล่นๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีแล้วดูไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจเยอะแล้วกันพวกเด็กๆเนี่ย น, นะบางทีนึกว่าเวลาเหลืออีกเยอะก็อพอดูเป็นแล้วก็ขี้เกียจเดี๋ยวไว้แก่ๆแล้วมาดูต่อ <c oughs> <c oughs> บางเอินมันไม่แก่เ <c oughs> มื่อวานใช่ไหที่มีใครมาเล่า ว, ว่ารถคว่มไปเฉยๆขับรถรถคว่ำไปแต่ว่าสติมันทำงานอัตโนมัติเลย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 รู้สึกไหมเราน้ําจิตให้นิ่งนี่ไงมันโฟกัสลงไปอยู่ที่เดียวแล้เห็นไหมใจมันถ ล, ล, ลําลงไปดูแล้วให้เราดูอยู่ห่างๆพยายามดูอยู่ห่างๆอย่าให้ถลําลงไปดูแล้วรู้เนื้อรู้ตัวไว้นะอย่างนี้ก็ไม่ควรจะกําหนดลมหายใจไหมคะหลวงพรู้ลมหายใจแต่ไม่ได้ไปเพ่งลมหายใจรู้ลมหายใจนะร่างกายนี้หายใจไปจิตเป็นคนดูอยู่ แต่กี้เนี่ยร่างกายหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ได้เป็นคนดูจิตไหลไปอยู่กับลมนะ อ, อย่างนี้หลวงพ่อทำเก่งทําอยู่22ปีเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะช่วงแรกๆที่<อ>จะนั่งหรือเปล่าคะหลวงพอ่อเป็นไปได้พอฐานช่วงนี้ไปพจิตรรวมนะมันก็ไม่ได้ไหลไปแล้ว ถ้ารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาใช้ได้น ะ, ะส่วนมากพอไหลลงไปแล้วเคลิมเคลิมไปเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้ของหนูจะตามรู้ลมหายใจอะค่ะจะไม่ได้ไปกําหนดลมหายใจค่ะแต่ว่าถ้าเผลอเนี่ยจะจะเคริมไปคือระยะหลังเนี่ยจะเคลิมช้าจะช็อตขึ้นนะคะ อ, อจะสั้นขึ้นอย่างนี้ใช้ได้ไหมะถูกเราไม่ได้นั่งภ า, าวนาะเ<ะ>อาเคลิมนะอยากเคลิมก็ไปหายานอนหลับมากินเข้าไปเ<ะ>ราภาวนาเนี่ยให้มีสติ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 เพราะว่าทุกๆอิริยาบถก็คือการฝึกสตินั่นเองยืนเดินนั่งนอนทำอย่างเดียวกันแต่ว่าเวลาจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยแล้วเราพอมานั่งจิตมันก็พักผ่อนรวมเข้าไปนิ่งๆพอมีกำลังแล้วอย่านอนเฉยๆอยู่นานขึ้นมารู้กายขึ้นมารู้ใจอย่าขี้เกียจถ้าเอาแต่ความสงบอย่างเดียวขี้เกียจขี้เกียจรู้กายขี้เกียจรู้ใจเหมือนนอนเล่นลูกเดียวไม่รวยหรอก ต้องขยันรู้ไปรู้ใจเรียกว่ามาทํางานถึงจะรวยหลวงพ่อคะเวลาหนูนอนนะคะหนูจะเห็นความคิดด้วย อ, อะคะ่ะอือันนี้ผิดไม่ผิดม่ดทางไม่ผิดนะค ะ, ะรู้ไปอย่างนั้นเลยที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะดีแล้วอะจีรัตนะ์เอนหน่อยก็เพ่งๆหลงๆครับจิตตอนนี้เป็นไงจีรัตนจิตอันนี้ก็มัวๆครับมัวเพราะทานข้าวเปล่า เันไปได้ค <c oughs> รับหลวงพทานข้าแต่ว่าจริงๆมันเลือดด้านสมองน้อยไป <c oughs> เป็นทางกายทางใจไม่เป็นอะไร <c oughs> หญิงอะรู้สึกว่ามันมันนอกนอกมันไม่ตั้งมั่นนะคะหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผู้หญิงที่นั่งติดกับหนูที่ส่งกันบ้านตะเกียบเลิอมไปแล้วเหลือไปน ะ, ะมันไม่ตั้งมั่นป่ะคะหลวงพ่อมันดูเหมือน ไม่ตั้งมั่นก็ชั่งมันไม่ตั้งมัน่นเรารู้ว่าไม่ตั้งมัน่นะรู้แล้วก็อย่าไปเกลียดมันใจไม่ชอบความไม่ตั้งมั่นนี้ให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบอรู้ทันแล้วใจมันจะตั้งมั่นเองใจเป็นกลางเนะนี่ยหลวงพุเทศเคยสอนนะผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นกลางเพราะปัญญานะชอยไม่ใช่เป็นกลางด้วยการเพ่งแต่รีบไปคิดใจเลยเป็นกลาง เาใครจะคุยต่ อ, อช่างหลังการหลวงพ่อคะ็ะคือหนูพยายามจะหาวิหารธรรมที่มันเหมาะกับตัวเองอะอค่ะขอบคุณนะมันเป็นคนช่างคิด <c oughs> นะพวกช่างคิดคิดมากเนี่ยให้ดูจิตไปเลยเอาจิตเป็นวิหารธรรมไอ <c oughs> ้เก็นเกิไหมจิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คอยรู้ไปเไรื่อยๆนะ <c oughs> ทาอะไรก็อย่าลืมจิตลืมอะไรก็ได้นะอย่าลืมจิตตัวเอง ฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูต้องนั่งสมาธินนไม่ต้องนั่ ง, งยังไงก็ไม่สงบนะจริตนใสัยอย่างที่นั่งไม่ได้เดี๋ยวความสงบจะเกิดทีหลังให้เดินปัญญาไปก่อนให้รู้ไป ร, รู้ใจไปเรื่อยๆนะดูจิตดูใจเรื่อยๆต่อไปจะเกิดความสงบเองเรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิบางคนใช้สมาธินําปัญญาอย่างเสื้อฟ้าเนี่ยเขาใช้สมาธินาปัญญาได้ของหนูน่ไม่ได้หรอกอยังไงมันก็ไม่สงบ ข อ, อ่าเออบอร์สิบเจ็ดยกมือไว้ยกมือไ ว, อไว้จะได้ส่งถูกที่มาครั้งแรกค่ะคืออยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำาะคะคือเห็นกิเลสตัวหนึ่งของตัวเองเนี่ยมากก็คือมานักถือตัวเมื่อก่อนไม่เห็นค่ะแล้วจะรู้สึกปลืม้มเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรา มีอะไรที่ดเหนือกว่าคนอื่นนะคะมันเป็นความรู้สึกปริ่มแต่ตอนนี้พอมันรู้จักว่าอ๋ออันนี้มันคือมานะอแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันเกิดบ่อยมากๆเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเมื่อกี้นี้ไปเข้าห้อง น, นะะ้ำค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ า, าอยากจะอยจะถามแต่ว่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็พอเข้าปุ๊บก็มองไปเห็นกระดาษทิชชู่ะคะ่ะเหลือแต่แกนคือใช้หมดแล้วแวบบแรกเนี่ยมันติติคนที่เข้า ก่อนเราพอปิ๊บหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ดีเราก็เอื้อมมือไปหยิบที่ชู่ที่ดีเนี่ยมาใส่ขณะที่เราเอื้อมไปหยิบเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เ, เรากาลงังปลื้ม ใ, นะในความเป็นความดีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบมันจะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะอ ด, ะะดีดูได้ละเอียดดีนะใช้ได้ดีแล้วต่วนี้คือตัวเนี้ยค่ะมันจะมีการปฏิบัติตยังไงที่จะให้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละนะ แต่ปฏิบัติเพื่อให้รู้ทันเห็นไหมจิตจะมีที่ติมานะอะไรมันก็มีของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองทั้งวันทั้งคืนดูไปอย่างนี้ดูจนไม่ยึดถือจิตไม่ใช่ดูจนจิตมันเรียบร้อยตามใจชอบของเรางนั้นตั้งเป้าให้ถูกนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปบังคับมันให้ได้เพื่อจะไปละอะไรกิเลสไม่ได้มีเอาไว้ละนะมีเอาไว้รู้กิเลสอยู่ในสังขารขันหน้าที่ของเราต่อขันห้าคือการรู้ไม่ใช่การละ ให้รักอันเดียวรักความอยากอยากอะไรอยากดีอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากปฏิบัติเนเพราะเราไม่อยากชั่วเท่าไหร่เราสติเราเร็วความชั่วหลอกเราไม่ก็ได้แต่ความดีหลอกเก่งดีหัดดูไปเอาเบอร์ส4่สิสนมาสการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น ของการดูจิ ต, ตหนูรู้สึกว่าคือหนูเป็นคนที่มีความทุกข์มีกิเลสอะไรเงี้ยพอเราดูถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนมันก็ลืมลืมไปแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีนึงอยากให้หลวงพ่อชี้แนวทางการดูจิตหัดดูเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นนะทีแรกก็เผลอยาวนี่เราหัดดูของเราทุกวันทุกวันมันจะเผลอสั้นลงสั้นลงความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดตอนเผลอความทุกข์ในใจเรานี้นะถ้าเรามีสติอยู่จะไม่ทุกข์รอ ความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์ในใจนี่เกิดใจากใจชอบแอบไปคิดนะน่ะหนีไปคิดไปปรุงไปแต่งนะแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมางั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดป๊บรู้ทันนะไม่ทุกข์หรอกค่อยฝึกนะแล้วจะมีความสุขเยอะแยะเลยไปกดไว้หน่อยๆทราบไหมทให้ร่ามมารยาทของพ่อคะ่ะวันนี้ทั้งกดทั้งตื่นเต้นค่ะ ช่วงนี้จิตไม่ค่อยมีกําลังตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่มามค่ะแต่จะก่อนจะนอนกลางคืนเวลาเราเดินรอบเตียงเรากลับหลังหมุนตัวเราจะรู้สึกมากกว่าช่วงกลางวันกลางวันเราต้องตะลุมบอลอยู่กับโลกนะค่ะมันดูยากนี่เรามีเวลาตอนไหนเราก็ดูตอนนั้นแหละเรากินข้าวบางทีเราเคี้ยวเราก็จะเห็นว่ากําลังเคี้ยวอยู่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 นะใช่ค่ะแต่ต้องวางไม้ซะแล้วหาย <c oughs> โลกกลัวไหมกลัวไหมต้องต้องทำ อ, อะไรให้เพิ่มมากกว่านี้ไมคะไ่ไม่ต้องลดลงมากกว่านี้ <c oughs> ไม่ใช่เพิ่มนะลดความจงใจลงรู้อย่างสบายๆในชีวิตของเราเนี้ยรู้ไปได้วยแต่เบื้องต้นมันจะรู้ได้แต่กิเลส ท, ที่ห ย, ยาบๆอย่างโทสะะรู้โทสะได้ง่ายราคาโมหะอะไรนีค่ค่อยๆรู้ไปทีหลัง มันละเอียดเบื้องต้นก็ต้องเห็นของหยับหยับก่อนอย่างสมมติเรานั่งอยู่เนี่ยมีจิ้งจกวิ่งมาตัวหนึ่งกับมีงูเลยมาตัวหนึ่งนี่ยเราจะดูตัวไหน <c oughs> มันต้องเห็นงูก่อนแหละ <c oughs> ใช่ไหมมนดูว่าจิ้งจกนี่ลายสวยดีเพราะฉะนั้นใหม่ๆมันก็ต้องเห็นของหยับหยับก่อนกล่าวขอพระคุณหลวงพ่อค่ะอะหนุ่มนนท์นมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรก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 พราะว่ารู้สึกบางครับว่าต้องรีบรับคืนนี้ให้ได้คือเมื่อเคืนนี้ให้ได้จะได้รีบตื่นเช้ามาวันนี้แล้วก็แต่จะมีอยู่สองช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นจิตคือไม่สามารถดูได้คือช่วงที่พูดอมันพูดไปแล้วพอพูดเสร็จก็เมื่อกี้เราพูดอะไรออกไปคือรู้ว่าเผลอไปยาวาระหว่างที่พูดทาไมเผลอหรือไม่ตอนพูดเพราะตอนเผลอพูดนี่มันต้องคิดในขณะที่เราคิดเนี่ยเราไม่สามารถดูจิตได้เพราะเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิด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 พอเรารู้ตัวแล้วมันมันง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะตั้งใจ บ, บังคับยกขาเดินจงกรมพอเท้าเหยียบแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อพื้นแข็งเยน็นร้อนอะรู้ว่าพื้นแต่บางทีก็จะเกิดอาการจิตดูจิตซ้ําไปก็พยายามรู้แล้วก็อยู่<ร>พยายามรู้จิตไว้นะเราไม่ต้องไปรู้พื้นหรอก <c oughs> เพราะเราพื้นเนี่ยยังไงเราก็ไม่เห็นว่าพื้นนี่คือตัวเราเราดูภาวนานี่นะเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรา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 ฝึกไปนะแล้วถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราหัดดูจิตแล้วเราทําสมาธิง่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วการทําสมาธิมันทําได้สองอย่างอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปเรื่อยๆสายไปสายมาบางคนก็ใช้วิธีน้อมมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่จิตชอบเนียอย่างบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเนี่ยพอรู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขนะจิตจะสงบบางคนท่องพุโทโธแล้วมีความสุข นะท่องไปเรื่อยๆจิตก็จะสงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตก็จะสงบแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วอึดอัดเงี้ยจิตไม่สงบตัวที่ทําให้จิตสงบนะัคือความสุขนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็หกดัดดูรู้อารมณ์อันเดียวที่ดูแล้วสบายใจนะยังมีความสุขเรื่อยๆจิตจะสงบอีกพวกหนึ่งไม่สามารถทําวิธีนี้ได้ใช้การดูจิตนะี่แหละจิตมันไม่สงบขึ้นมาเพราะมันมีนิวรณ์แทรกเข้ามา มีศัตรูของสมาธิเกิดขึ้นนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรดับไปนะจิตก็เกิดสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นั้นมีสองทางนะทางหนึ่งใช้สมถะเลยทางหนึ่งใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญารู้ทันนิวรณ์นิวรดับไปสติเกิดเองทำได้หลายแบบขอบคุณครับที่ภาวนาอยู่ดีใช้ได้อย่าขี้เกียจนะมัสการค่ะหลวงพ่อ คือเพิ่งจะฝึกมาไม่นานนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางวันเนี่ยจะรู้ตัวแต่ว่าบางวันเนี่ยจะไปรู้ตัวอีกทีตอนประมาณห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างดีนะสาธุ <laughs> ดีที่ไม่ไปรู้หกโมงก็เลยเราบางทีเนี่ยคะ่ะจะแบบเดี๋ยวหลวงพ่อถามเลยนิดสิรู้สึกไหมตอนนี้กับตอนที่ก่อนจะคุยกับหลวงพ่อเนี่ยจิตใจเราไม่เหมือนกันใช่ค่ะเ อ, อ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 แล้วเราจะรู้ว่าตัวจริงเนี่ยเป็นนางฟ้าหรือนางแม่มนแล้วก็จะเป็นคนที่หยุดความคิดไม่ได้ะคะ่ะไม่มีใครหยุดความคิดได้ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิอะคะ่ะเคยใช้วิธีการสวดมนต์แต่ว่าระหว่างที่สวดมนต์เนี่ยก็จะมีความคิดแทรกขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยคะ่ะดีแล้วต่อไปนี้ไปสวดมนต์อีกแล้วจิตไหลไปคิ ด, ดรู้ว่าจิตไปคิดมาสวดใหม่อระหังซัมมาคิดแวบไปแล้วรู้ว่าจิตไปคิด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 เพราะนั้นเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้นะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ไดนะ้ถ้าเราพยายามปฏิบัติทำด้วยมุ่งหวงังการบังคับนี่เราจะเป็นคนเก็บกฎนะยิ่งภาวนายิ่งเครียดไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้เราก็ ชวงนีพยายามพี่จะดูกิเลสตัวเองอะคะ่ะก็จะเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากแล้วก็บางทีก็จเจอความอยากได้อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อดีมากอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติละหัดไปอย่างนั้นแหละอย่างส่วนมนแล้วใจหนีไปนะก็ใจฟุ้งซ่านนะั่นก็กิเลสแบบหนึ่งนะเราอยู่ในชีวิตเนื้อตาเรามองเห็น น, ะนี่เราอยากได้นี่ก็กิเลสอีกอย่างนะดูไปดูกิเลสไปได้แหละถ้าเรารู้ทันกิเลสกิเลสจะไม่ครอบงําจิตใจของเราจิตใจเราจะ ค่อยๆสบายขึ้นเร้่ยๆเพราะศัตรูที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์ก็คือกิเลสนั่นแหลออะค่ะขอบคุณคะ่ะมีใครจะยกมือบ้างอ้าวเชิญอ้าวว่าไปพัสการหลวงพ่อค่ะ เ, เมื่อสองครั้งกลัมาหาหลวงพ่อแล้วเนี่ยจิตใจไม่สบายเลยอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะก็ไม่มีโอกาสแต่จนณถึงวันนี้แล้วเนี่ยจิตใจดีขึ้นแล้ว ก็เพียงจะว่ามีเรื่องสงสัยจะถามหลวงพ่อว่าคืออย่างนี้ค่ะเคยหลวงพ่อถามก่อนได้ไหมเห็นไหมว่าจิตใจไม่เที่ยงค่ะใช่ค่ะไม่ดีแล้วก็ดีขึ้นมาดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยจิตใจไม่เที่ยงเห็นไหมว่าเราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้มันจะดีหรือมันจะเลวเราสั่งไม่ได้การที่เราสั่งไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอนัตตาดังนั้นที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงไบไปเลยเอาเชิญคุยต่อแล้วอย่างนี้หลวงพ่อเกิด ใ, ในเวลาที่เราเกิดมีอารมณ์มีกิเลสเนี่ยในความกโกรธในความโมโหเนี่ยนะฮะหลวงพ่อบอกว่าให้ตามรู้รู้หนู ก, ก็รู้ไปรู้ไปจนกลายเป็นรู้เป็นนานเป็นเดือนอะไรเงี้ยหลวงโกรธเป็นเดือนเลยอะคะไม่มีจริงค<ะ>่ะตอนหลับกโกรธไหยไม่อะค่ะเออตอ น, ตอนปวดท้องจะเข้าห้องน้นําำปวดไหม ม่มคมันเกิดดับนะมันไม่ได้อยู่เป็นเดือนออแปลว่าเราเราไปเผลอติดตรงนั้นหรือเปล่าคะเราไปจํามันไวนะ้เมื่อวานที่ก็โกรธเรื่องเนี้ยวันนี้นึกขึ้นได้แล้วก็โกรธขึ้นมาอีกเราก็เลยนึกว่าโกรธไม่เลิกความจริงเนี่ยความโกรธเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอตอนหลวงพ่ออยู่เมืองกาญเน์คุณเลิศเข้ามาอย่างเมืองกาญจน์เคมีเด็กผู้หญิงคนนึ่งวันนั้นพวกเด็กๆมาเรียนหลายคนหลวงพ่อถามว่าใครเคยมีความทุกข์นานๆาามั้ง มีผู้หญิงคนหนึ่งเด็กนักกล้าหาญยกมือมีความทุกข์ทุกนานเท่าไหร่ปีกว่าๆทำไมทุกอกหั ก, ก, หกถามแกบอกว่ามันทุกข์ทั้งวันทั้งคืนป่กใช่บอกเคยไปไปเที่ยวตามศูนย์การค้าอะไรเงี้ยตอนที่ไปเที่ยวแล้วก็เกิดปวดท้องอยากหาห้องน้ำหาไม่เจอตอนนั้นโกรธไอแฟนที่ทิ้งเราว่ะ <laughs> ไม่โกรธเลยนะ <laughs> ไม่น้อยอกน้อยใจแฟนนี่ไม่มีเลย คิดแต่ว่าห้องน้ํามันอยู่ที่ไหนพอเข้าห้องน้ําได้นะเรียบร้อยมีความสุขแล้วเริ่มคิดละมึงห่างอกกูเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกกิเลสที่เกิดทั้งวันทั้งคืนค่หลวงพ่อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือว่าหนูได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมีอยู่สองเรื่องเรื่องขององค์คุริมาขับอัมหมาที่เมานะฮะคือองค์ุริมาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ย ท่านฆ่าคนตลอดท่านมีเวลามานั่งปฏิบัติธรรมแบบนี้เลยอืแต่แค่ขนาดเจ็ดเดียวที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยท่านบรรลุได้ทันทีแล้วกั บ, ก บ, กบอา ม, มาตองค์หนึ่งที่เมาเใช่ไหมฮะท่านก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่แค่มาฟังหลวงพ่อแค่ครั้งเดียวก็บรรลุทันทีหนูก็เลยสงสัยว่าอย่างเงี้ยค่ะว่าการที่บางครั้งเราตั้งใจกำหนดปฏิบัติเป็นปีๆเนี่ยบางครั้งก็เคร่งเครียด ม, มันหมายถึงว่าเวลาเราทำแล้วก็ทำแบบสบายๆไปเรื่อยๆ ไม่ทำไปนะแต่ไม่เลิกการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเราเดินทางไกลเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนแต่อย่าหยุดเดินแล้วก็อย่าไปดูแค่ว่าพระองค์คุลีมานนะฟังปิ้งบรรลุสันตติธรรมาต์ฟังพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังหลวงพ่อนะเมื่อกี้บอกว่าฟังหลวงพ่อพวกเขาเลยหัวเราะแต่นี่รักพระพุทธเจ้าเรียกหลวงพระพทธเจ้าว่าหลวงพ่อก็ได้ทําไมเขาฟังแล้วเขาปิ้งน่ะ เขาทามานับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วไม่มีหรอกของฟลุกของบังเอิญของฟรีไม่มีมีแต่ทุกสิ่งต้องทำเอาเองนะชาวพุทธเราถือเรื่องกฎแห่งกรรมเราต้องทําเราถึงจะได้ท่านเหล่านั้นสร้างมาเยอะแยะแล้วนะแต่มีความลงผิดไปชั่ววูบนะพอได้สติขึ้นมาของเก่ามันก็ตามขึ้นมามเพราะงั้นไม่มีบังเอิญ น, นะไม่ใช่เอาแล้วทุกวันเราเล่นไพ่ วันหนึ่งตำรวจวิ่งมาจับเนีเราตกใจเห็นขาดสะบ้านตรงนั้นไม่ใช่นะอ๋อค่ะู้ฟังก็เอ๊ะคอยูบเดียวท่านได้แ<อ>ล้วกก่อนจะถึงวูบนั้นอะวูบมา<อ>เยอะแล้วลำบากมาเยอะแล้ว อ, อย่างท่านพระพาหิยะพระพาหิยะเป็นเอตทัคคะทางรู้เร็ว<อ>ฟังพระพุทธเจ้าเทศนิดเดียวเป็นพระลรหันเลย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 เราจะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวความคิดไม่เกี่ยวใช่ใช่ไหมฮะแต่ในขณะที่เราทํางานเนี่ยเราจะใช้ความคิดได้ใช่อย่าใช้ความรู้สึกอ่ะค่ะหลวู่ก็เลยที่ว่าคำเข้าใจนี่คือถูกต้องใช่ถูกแล้วขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยอาการที่ว่ามีเครื่องอยู่คือเราดูแค่ตามลมหายใจเราเท่านั้นยังขณะที่ฟังหลวงพ่อเวลาเวลาดูลมหายใจนะไม่ใช่น้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมอย่างเดียวเราดูลมหายใจเหมือนที่คนนี้เขาสวดมน่ะ ดูลมหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันดูลมหายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ทนันว่าฟุ้งซ่านดูลมหายใจแล้วสงบรู้ว่าสงบเราั้นเรารู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยเอาลมเป็นแป๊กกล่าวท่านะดูจิตเป็นหลักดูจิตเป็นหลักค่ะไม่ใช่ดูลมเป็นหลักนั้นดูลมเป็นหลักไม่บรรลุมรรผลนิพพานหรอกดูจิตเราก็ตอนั้นรู้สึกยังไงลมเข้าลมออกลมไปทางไหนหายใจไปหายใจไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นละก็รู้ทันแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไป หายใจแล้วรู้ทันจิตไปหลวงปู่เทศท่านบอกว่าคนโบราณฉลาดท่านสร้างชื่อว่าลมหายใจถ้าลมนี้หายเมื่อไหร่นะก็ถึงใจเมื่อนั้นลมหายเมื่อไหร่ก็ถึงใจมันจะทราบใช่ไหมฮะอืมันจะรู้เลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราเลยปล่อยทิ้งไปเลยคแล้วก็เหลือแต่ใจดวงเดียวล้วนๆซึ่งไม่มีความคิดนึกรุงแตก็ไม่มีความเป็นเราเกิดขึ้นหลวงพ่อขะอีกเรื่องนึงคือลูกชายสวดมนต์เนี่ย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 มันค่อยๆรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นใจมันตื่นขึ้นมาแล้วดีฝึกไปออฟังซีดีเฉยๆก็ตื่นได้นะเห็นกิเลสเยอะๆเลยรู้สึกไหมรู้สึกครับเห็นไ้ยร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเป็นของที่ใจเราไปรู้เข้าก็เห็นว่ามันไปของมันเองอ๋อไปของมันเองเห็นหมว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นของแปลปลอมเข้ามาชั่วคราวแล้วก็ไป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 ต้องงปปรับุไม่ไม่ปรับแต่อยากขี้เกียจนะดูเรื่อยๆแล้วว่าไม่รีบร้อนไม่ขี้เกียจแต่ไม่รีบร้อนเอาเอกสารขอบพระคุณครับนมิสการหลวงพ่อค่ะคือมาครั้งแรกแล้วก็เคยฟังซีดีกับหนังสือก็้าหาญนะมาครั้งแรกมานั่งหน้ามากับน้องด้วยขอคาแนะนำหลวงพ่อค่ะก็คอยดูใจของเราไปเรื่อยใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันดูออกไหม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 เนี่ยอย่าไปทำใจให้ซึมนะตอนนี้แกล้งทำใจให้ซึมๆแล้วนะรู้สึกไหมค่ะอย่าไปแกล้งทาเป็นของปลอมแกล้งทาให้ซึมจะได้ดูสงบไม่เอาอย่างนั้นไม่เรียกว่าสงบอย่างนั้นเรียกสลบนะน้อมอย่างนี้ไม่เอาติดเพลงหรือเปล่าคะติดเพง่งแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะโดยพื้นฐานของคุณมันจะฟุ้งซ่านมันไม่เพ่งง่ายหรอกมันไม่ติดหรอกใช่ค่ะ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 มันให้รู้ทันใจของเราเป็นอย่างนั้นเละมันเกิดดับให้ดูแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับสงสัยมานานแล้วครับหลวงพ่อคือหลวงพ่อเคยบอกผมว่า อ, อให้ไปงานศพแล้วจิตจะดีครับหลวงพ่อหมายถึงอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับจริงอย่างเวลาตอนโน้นราคามันแทรกแต่ตอนนี้ราคาไม่ได้แทรกก็ไม่ต้องไปก็ได้นึก <laughs> ว่านึก <laughs> ว่าทุกครั้งที่จิตไม่ดี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 คือถ้าเกิดแผลไม่ตาให้คนที่เรารักเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกจิตใจมันเกิดสมนัสมากขึ้นไม่รู้ว่าตอนที่แผลม่ตานั้นบอกว่าหลวงพอ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้สนใจอะไรแต่ไม่เป็นไรทาไปเถอนะหรือมันอาจจะเหมือนเป็นการแบบดูดพลังมาจากไกลๆไม่เป็นไรดูดไปเถอะคือเวลาเราคิดถึง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 เพรเมื่อวานมีถึงขนาดว่าหลับฝันอยู่แล้วเหมือนกับว่าผมหลวงพ่อมาตอบคําถามผมได้ฝันนั่นแหละอย่างนั้นแหละคือใจพอเราคิดถึงครูบาอาจารย์แนละมันก็สัมผัสอย่างนั้นนะหลวงพ่อไม่ได้มาเข้าฝันผมใช่ไหมครับห <laughs> ลวงพ่อไม่ใช่ผีนี่เหมือนอย่างเคยมีฝรั่งมาถามเจ้าคุณนอใช่ไหมฝรั่งอยู่อังกฤษนะไม่สบายแล้วก็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 จิตจะมีปีติมีความสุขมีความเบิกบานเราจะรับกระแสะพลังงานอันมหาศาลนั้นได้เป็นวิธีขี้โกงนะอ่ะพ อ, อย่างอ้าวภาพไปรู้สึกวันนี้เล่นอยู่สองรอบอ้าอ้าวครับเรียนถามวิธีก็ปฏิบัตินะคะอะหลังๆนิยมมาลองใช้วิธีเคลื่อนไหวกายดูใช่ได้นะทีม ดีใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกไหมจิตมีพลังค่ะจะดีแบบดูจิตเพราะว่ามันมดนปรุงแต่ง <ขอ S 2> คือหอลวงพ่อจะบอกอันหนึ่งให้อย่าเสียใจนะคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นนะดูจิตอย่างเดียวบางทีมันเบลอเลอไปต้องเอาร่างกายมาช่วยด้วยเพราะโดยธรรมชาติพออายุเยอะขึ้นนะั้มันเบลอง่ายะรู้กายสัมทับลงไปด้วยช่วยได้เยอะเลยอ่ะคนโน้นเนี่ยที่นั่งวันนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ มันไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ใจมันกระจายไปรู้สึกไหมมันกว้างๆออกไปเหมือนแรงมันตกไปให้รู้ว่าแรงตกอย่าอยากรู้ตัวให้ชัดถ้ามันเป็นยังไงแล้วยอมรับได้นะจะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนว่าถ้าบางช่วงนั่งเฉยๆมันจะแบบเหมือนตกเหวลงไปเออมันเลยต้องฝืนๆไปไม่งั้นเหมือนฟังชั่นไม่ได้ก็ดุกดิกไหมก็เคลื่อนไหวไปหมดหรือยังวันนี้อ่ะเบอร์ห้าสิบ คนนานๆจะเกิดปรากฏการ์อย่างนี้นะคือคนไม่ถึงครึ่งห้องไม่เป็นอย่างนี้มันนอนแนละ้วใช่ไหมรู้สึกดีใจไหม ห, หลวงพ่อก็ดีใจเหมือนกันนะถ้าเหลือแถวเดียวดีใจมากขึ้นอีก <c oughs> อันโลกงเพราะว่าจิตของคนนะปล่อยพลังงานตลอดเวลาอ่ะนมรสกการล ะ, ออะนี่ เพิ่งมาครั้งแรกครับเราก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติไม่แน่ใจว่าแนวทางที่ปฏิบัตินี่หัดดูไปเรื่อยนะเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วใช่ได้นะกิเลสอะไรเกิดบ่อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็มีโทสะนะครับทโสทสะเกิดบ่อยแล้วก็จิตมีโสทสะเราก็รู้นะจิตไม่มีโสทสะก็รู้ถ้าเรารู้หนึ่งคู่จิตที่มีโสทสะกับจิตที่ไม่มีโสทสะเรารู้ได้ทั้งวันแล้วเพราะจิตก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะมีโสทสะกับไม่มีโสทสะ นีไปคิดแล้วทราบไหมเยเติมอีกตัวหนึ่งจิตหนีไปคิดจิตนี้ไปคิดคือจิตฟุ้งซ่านเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมตะกี้ไม่ทราบตอนนี้พอหลวงพ่อทักก็เลยรู้รู้สึกหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหมครับเนี่แหละมาหัดเที่ยวเพื่ออย่างเนี้ยนะอ่ะตุกตาม้างยัดเยียนใหม่าให้เนะแต่ก็ดีค่ะก็ช่วงไม่ได้ส่งกันบ้านหลายวันค่ะก็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 ตอนนี้ความรู้สึกอะไรกำลังอยู่เราก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วต่อไปจะเข้าใจทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยรู้ด้วยตัวเองนะฝึกอย่างนี้เราฝึกสติจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมแอบไปคิดละไหลแว บ, บไปหนีไปคิดให้รู้ทันมันตื่นเต้นขึ้นมารู้สึกไหมเนะนี่รู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆไจิตมีปีติแล้วรู้สึกไหมเนะ้ยรู้สึกอย่างนี้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงของเขานะ หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องไปนั่งนึ่งอะไรหรอกดูอย่างนี้แหละนั่งก็นั่งดูไปอย่างเนี้ยน ะ, ะเชิญกลับบ้านสิบโมงเป๊ะเลย